ร่วมกันประมวลสิ่งต่างๆที่เราได้ปึกทีได้ศึกษาร่วมกันทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนเราได้สังคายนาการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับอิสีและความศรัทธาสามารถของแต่ละคนให้ได้ประโยชน์เท่าๆกันไม่ว่า ไม่ว่าคณนั้นจะว่านคนนั้นจะมีะความพร้อมทางด้านกายหรือด้านใจระดับใดก็ตามนะถ้าเราจักช่วยกันปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ได้ปล่อยให้แต่ละท่านได้ใช้ความสามารถของแต่ละของตนของตนเนี่ย ให้เต็มที่ในช่วงปฏิบัติเราก็จะมีเฉพาะการแนะนําช่วงเชา้าช่วงเย็นเท่านั้นซึ่งในพวกเรานี่ก็มีพระผู้เฒ่าอย่างหลวงพ่ออุดมที่เป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยได้อารมณ์ปฏิบัติกับเราอย่างไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าอิานทร s a n g k ท่านจะไม่ค่อยพร้อมแต่ท่านก็ อ่าสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันะซึ่งถ้าตามปกติแล้วเท่าที่มีอความลําบากทางกายอย่างนี้ก็จะพักผ่อนนอนสบายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าท่านดุสรามาเป็นกําลังใจเป็นแบบให้กับพวกเราทําให้เราก็พวกเราทั้งหลายได้กําลังใจว่าพระผู้สูงอายุที่มีร่างกายไม่ค่อยพร้อมแต่ยังอสู้ได้ขนาดนี้ซึ่งเราเป็นคนปกติเราก็น่าจะทําได้มากกว่ากว่าท่านนะ ตรงนี้เราก็อาจะเร า, ารบบูชาน้ําใจของท่านที่เป็นกําลังใจให้เราโดยตลอดแล้วเราก็อยากจะฟังในสิ่งที่ท่านได้ศึกษาได้ค้นพบและได้สัมผัสอะไรบางอย่างที่ท่านเกิดแรงบรรดาลใจตรงนี้ซึ่งก็เราไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็น อ, อนุสรให้กับลูกหลานของเราได้นําไปที่พิจารณาและร ะ, ะลึกเมื่อเรา ได้ลงมือปฏิบัติเกิดความอ่อนเพลียท้อถอยหรือเสื่มศรัทธาระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็นึกถึงภาพวันนี้เราทำให้เรามีแรงบันดาลใจขึ้นมาได้อีกเราก็ควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์าจากท่านบ้างนะก็การละนาขหลวงพ่อได้เมตตาลูกหลานได้ให้ข้อชี้แนะต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะ สิ่งที่ดีแล้วหรืออะไรที่ขัดตกบกพร่องพวกข้าพุท ย, ยินยอมพร้อมรับจะนำไปพิจารณานะแก้ไขต่อไปกลาลรัศนานนี้นนมลนิภ์พ่อ นอบน้อมแด่คุณพระชีรัตระไตรแก่ทั้งสมประการคือประพุทธประธรรมประสงค์ขอนอบน้อมแด่ดวงวิญญาณอันคาวสะอาดศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์พุทธผองของบรมครูของพวกเขาก็คือท่านอาจาร ย, ายร์ใหญ่หลวงปู่เทียนซึ่งเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์และทั้งเป็นมหามิตรในอดีตผ่านมาของ ขน้อยเรือาอาตัม า, าพาก่อนอื่นทั้งหมดขน้อยพระพุทธคือพออุดมพุทธวังโสนี้ขอถือโอกาสนี้น้อมคารวะครูบาอาจารย์สพเจาจงแล้วและแม่ลุงพ่อมหาเดเรกของพวกเข้า ซึ่งขน้อยราบซึ่งตรึงใจนอบน้อมคารวะบูชาว่าจะเป็นเหือแหงทางพระพุทธศาสนาในอันจะสีแน่เอาของจริงเอากุญแจใหญ่ทางหลัดเปิดประตูพานิพานให้แกสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังหลงผิดอยู่ในสภาวดหลอมทั้งหมดนั้นเอาจะเปลือกมาว่ากัน ผลปฏิบัติเปลือกเท่านั้นแต่คุณเจที่หลวงปู่ใหญ่คือหลวงปู่เทียนได้ไขาทางหลัดเข้าสู่ประตูพระนิพพานโดยโกงนั้นเือแหงอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่บึงแล้วสิ่งซอมบึงแล้วเห็นว่าหลวงผอมหาเิเรกนี้กระเสือกกระโนดินทนหลายที่สุดที่จะเหตได้ เท่าที่สามารถโดยบูฮู้อิทหู้เมยบูฮู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนขออย่างเดียวกุญแจนี้ให้ได้เปิดขว้างออกสู่ซ้ายตาแหล็กความหับฮู้เละอู้ซึกออกมาจากใจของทุกๆคนที่กําลังหลงพิษกันอยู่นั้นหามื่นตายขึ้นมาใหม่ว่าอันไหนเป็นอะไรกันแท้ๆเมื่อเป็นเครนนั้นขอห น, น, น, น่อยขอโอกาสนี้หนอบน้อมคาราวะบูซาระเดพลศกุล หลวงปู่มาหาเดเรของพวกเขาจึงให้มหาการุณาทีค่คณอันสูงส่งต่อข้าน้อยในอันที่ชัดสา่งความหับหูว่ายังมีบุคคลผู้เฒ่าที่หลงเหลืออยู่นั้นก็เสือกระสนเพื่อยอยากสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ถึกต้องเหมาะสมแท้ต่อไปแก่ลูกหลานของพวกเขาเพื่อให้เข้าใจความจริง ที่หลวงปู่เทียนได้มีกุญแจไข ใ, ให้แก่พวกเขาต่อไปอีกดังนั้นจึงขอไขอถือว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ได้มอบกุญแจให้หลวงปู่มหาเดเรกแล้วนะทั้งมดนี้จะบ่มีหยังขอมอบให้เลยกุญแจวัดนี้ สถานทีน่นี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้แก่พระเดชพระคุณเจ้ายามใดเวลาใดบ่ได้ว่ายังหากยังมีชีวิตยอยู่ก็จะขอสวยเหลือเกื้อคุณทุกประเด็นในอันจะให้ความสะดวกสบายเพื่อจะให้กุญแจลูกนี้เกิดมาโกิดผนขึ้นมานอกจากนั้นท่านอาจารย์สญาธรรมซึ่งเป็นพระ องที่ใค้ไข้เขาขว่าหลายองค์ที่ผ่านมาได้ให้ความผมใหม่หัวมือแล้วนั้นตุกมาถึง อ, อาจารย์สัญญาธรรมนี้กันนึกว่าจะโมดเทียบเท่าองค์อื่นมากมายไกลกองแต่พอมาเห็นพฤติกรรมตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดแล้วปโถุบ่นธรรมดาขอ่อยขอขอบุญคุณเพื่อจะเสือเรือกเกิดกุญานนี้เกิดขึ้น และสัพพะเจ้าจงท่านอาจารย์ไสญยาสาญันบอกไสยยาหนูกันเลยสาญันโอสาญันไม่เกี่ยวจอันเดียวกันที่ท่านอาจารย์เป็นคนวมักปากขน้อยเองนั้นบุหุจะวะแนวใด มาถึงแล้วว่าเพิ่อนบอมันหนาวก็เลาปากว่าโอ้ยอันเสือใหม่ๆของขนั้นอย่างหลายตัวจะจะซอกมาถวายเพิ่นก็บอกลูกสาวว่าไปซอกเถอะลูกสาวไปซอกเถอะเอาพอแกผ้าใหม่มืดแล้วเราจะเรืก เอาแล้วกันเอาไปครอบคสรุปข้ออายข้ออันเสนออะไรยัเหลือแต่เสือเก่าๆนี่มิแต่คนแมวของพ่อให้เพื่อนในวิธีใดเสือชพชอเต็มอยู่นี่ออเจริงๆเขาว่าคํามจกิงข้ออายข้อก่าคารวะที่เสียสัจจะได้ด้วยสนะต่อเพื่อข้างหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็โคจรเรินทำหนักปฏิบัติธรรมภูประปฏิบัติตรรม ผลงานที่ฐานอาจารย์ใหญ่ของพวกเขาก็คือหลวงปู่มหเดเรกหลวงพ่อมหเดเรกนี้นำอกุญแจลูกนั้นมาไขนี่เป็นผลงานของเพิ่นดันต่ว่าขอราบซึ้งตรึงใจหูบุญคุณของทุกๆคนที่มาประกอบส่วนสถานทีน่นี้เป็นการเอย่องเป็นการให้กำลังใจแก่พระพุาทา ถึงบูฮูว่าเราจะเห็นหน้ากันเมือ่อใดหรือว่าดังนั้นจะขอความคาราณ์ได้หับเอาความดีอกดีใจขอบอกขอบใจถึงจะเป็นกิเลสหรือว่าซปเปอรก์กิเลสอย่าใจะจะถามถึงแต่มันเป็นทางสาร้าหัวใจของผู้เเ่าดีใจหักเห็นคนใดคนหนึ่งที่มุ่งหน้ามุ่งตาเอาจริงเอาจังต่อกา ร, ร, ร, รประพฤติปฏิบัติ เพื่อความถูกต้องแท้ๆของธรรมัจจะจึงอาตมานั้นเป็นบ้ามาดูนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ไพสิวา จ, จะไหกคตามพอเคยลงมาพอแหงแล้วดังนั้นอาตมาหรือว่าขอน้อยนี้จะขอทวนสันส่นให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นหากว่า มันจะพิดลักที่ว่าอาดีตนั้นใดกำหนดอน า, าคตใดภวงถึงสาเท่ดแต่ว่าสำหรับขาน่อยแล้วอดีตของขาน่อยนี้เป็นบุเทเหียนอันสุดแสนทั้งแสบทั้งจเจริญแก่ขาน่อยเพอชีวิตทั้งชีวิตนเะขนอยลงพิดมาเมดนํำกามน้ำกินน้ำเกียติลงพิดมาอีลีนั้นและ ที่มีชีวิตอยู่นี่บวหวัวแม่หยังพอหลงผิดขนาดอายุเศร้าเจ็ดปีนี่ดาวเต็มบ่าแล้วนะเศร้าเจ็ดปีหรือว่ายี่สิบเจ็ดปีนี่นะหล่เลี้ยนตราคำาศอ้ากาหารเป็นกันยองจากบ้าแต่พ้นที่หลงทีบนั้นกำนำสนองก็คือได้แก่ความเสียอง่ขา คันเซ็งขามาเป็นกรรมที่สนองเขาแล้วเขาคีดว่าเขามีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาต์บ้านเมืองตามคามโฆษณาที่เก่าแก่ที่เคยปูกระดงกันมาที่ไดได้ชุดท้ายผลงานที่เขาก็เสือกกระทนมากมายไก่กองนึกทั้งกองถับบุยบนเหยียดจนอหอดมหาวิทายาลัยสงครามเขาว่ากันดือดปรมาโนกันเทนั้นแหละผ่านมามื ถามว่าได้ยังไงนะบ่ได้ยังพื้นแผ่นดินที่เราเสื่อกระสุนทุ่มเททางเลือดเหนือเสือ่อทั้งตัวนายหลับพ้นหายแก่ตนเองถึงขนาดนี้ก็เสียไปสําหรับเ้องปลาใส่ที่นี้ที่ยังเรืออยู่นั่นมีอย่างที่แลน้ำกรามน้ากินน้าเกียดนั่นก็คือผลนหลับ ในการเสียองค่าขององค์เองการเสียขององคาของขน้อยหรือว่าของอัตมานั้นบ่เหมือนคนอื่นเพราะปืนมันถือหัวดังนั้นเส็นประสาทหลวงจึงมันหนีอนนานากโกหัว้ที่ น, นั่นเขามาหนีประสาทหลวงอยู่ถ้าขาดสติตอนใดแล้วเมื่อนั้นเละหยกแข่งบุกขึ้นยกขาบุกขึ้นยกมือหยกบุขึ้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นคืนในนั้นหลังจากที่ปราศัยของความตั้งใจในอุดมการที่สวยบ้านสวยเมืองสวยพอสวยแม่สวยประเทศาสตร์บ้านเมืองทั้งหมดนั้นลุ่มเลี้ยวไปแล้วผลกรรมก็ได้เกิดขึ้นมาคือการเสียองค์ขะบุมียังดีผลห น, นังหุมกระดูกเคยเป็นออมาผ่ามาถึงหกปีสันเข่าทางดัง บทเฮียนอันนี้เป็นมหาวิเชนไยชีวิตแก่ข้าน้อย ส, สุดที่แก้ออกมาได้ดึงออกมาได้นี่อดีตเนี่ยที่พนวาบใหัยกาหนดนั่นนะมันเหตุให้ข้าน้อยเห็นถูกและผมมีประโยชน์อีหยังขอโทษว่าภาษาแบบการเตะแทน้นผมมีประโยชน์อีหยังหันนาขมัตสูเหตุอย่างได คำสอนขององค์สษริสมาสามพุริเจ้าเฮาก็เป็นลูกพระ ผ, า, ผาอเมเลียงแต่น้อยมันต้องมีนำนำนำยาอันสูงส่งมันต้องเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเยียวยาเฮาเพราะว่าเฮาอาศัยสติเท่านั้นที่จะอยู่ได้ท่าขาดสติและแม่นเห็นอย่างกับอะยำเข่ากับบเป็นเพราะว่าประชานหลวงถือคมอยู่ในกโลกหัวนี้ เมื่อเป็นคือในนั้นค่ำ ม, มาตายนะมันลายเถ่อตายแล้วผ่านมาทั้งหมดนั้นหมดตนหมดตัวมีถึงมกฟินเพื่อการเจ็บการปวดบุมีอย่งอยู่ได้แต่แค่นั้นนี่ เมื่อเห็นทุกเกิดคืนนั้นบุมมี่อันใดที่จะดีกว่าหันหนาเขามหาพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อระลึกยามไหนก็มีความสงบเย็นยามนั้นจึงดันด้นแสวงหาทุกหูกทุกแดดทุกสิ่งทุกประการเพื่อเหตุในไหนจะมีสองทางให้ได้แก้ไขปัญหาของตัวเอง แต่ก่อนนั้นที่ยังบรูรณาเป็นอมพาตหลวงันดันดลทั่วประเทศไทยหลายสัมหนักที่ผ่านไปสัมหนักได้ว่านั้นนั้ น, น, น, น, นหอดสัมหนักสามรอยทอนกระดูกสามรอยทอนก็กนกได้ไปว่ากันบอกว่าแต่ท่านอาจารย์ชา ญ, ญาหรือสายันที่เพิ่งว่าม า, าหยุบเนาะพองเนาะนี่ทั้งหมด ห, มห้วยมดมหธาตุเผลอลงไปทางเดียบแลนเขา้าครับอาจารย์สวนหมวกพนกระด า, าเอานี่ แต่มาเฮาเอาตัวบอลอดคันเมื่อเป็นคือในนั่นมาโอ้มันจะตายจริงๆแล้วเมื่อเวลาเอามาผ่านหลวงเกิดขึ้นมีลูกท้ายบุญธรรมถึงเป็นประธานองค์การสูงปากโบได้เอามือเขียนหนังสือบอกลูกสาวว่าพอขอตายข้าวผ่าเหลืองบอกให้ลูกบวชให้ไะ นบุเป็นคนเต็มเป็นผ่าที่บุสมบูรณ์มาบวชขอตายในผ่าหรือบวชสามมือนโดยากากรไดหลังจากสามมือและครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันนำอาจารย์มหาปานติดสมัยก่อนนั้นลูกศิษย์เอกเพิ่นมาเป็นมั น, เ ป, นเป็นผู้หับพิศสอบเกี่ยวกับวีปสันปปสนากรรมฐานของประเทศเราก็มาหับเอาไปไปไปรักษาไ้ไป ฝึกอยู่น้ำเพลินนะหาพันษา ừ, ทาั้งที่เป็นพว น, นเดียวกันแล้วก็มาเป็นอาจารย์ทั้งอกตั้งใจเหตุเพินก็บจิว่าเป็นเพื่อนก็ให้บอได้เกงโอเกงใจให้คมพู้แต่ห้องโบแมนได้บอ เกี่ยวกับเกี้ยวเกงใจเฮาหู้อ่ะเฮาจะตายเฮาจะเหลือตายเวลาใดเฮาจะหมดไปกับหู้เฮาเอาจริงเอาจังเอาจริงแบบบุมมี่ย่งก็เหมือนเก่าเนี้ยเหมือนเก่าเอาจริงหมัวมาบวชแล้วดังนั้นหาพรรษาที่เก็บหองอยู่ที่เก็บอารมณ์อยู่คนเดียวผ่านมาแล้วป้าคตรหวา ห่างไกลดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายสามารถจะสวยตัวเองได้หลายขึ้นหลักการมีเนื้อหนังวังซาขึ้นมาพอได้มืนตาเอาปากได้แต่ต่อมาก็หลังจากถีดออกจากการฝึกเดียเย่ยวๆก็ตั้งปณิธานว่าในชาตินี้น ท, ทั้งชาติเข้าขอมอบกายถอยชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเพืสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ถึกท่อง เพศไห น, นก็าตามก่อนตายขอให้คำำนี้เกิดมีเป็นขึ้นให้ได้ต่างปณิธานไว้หมวเป็นตรงสั้นจริงทุ่มเทความหับหูทั้งหมดที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาต่อตัวเองนำครูบาอาจารย์ที่ผลในทุ่มเทให้จะมากพออกพอใจกับโอทีแท้ เขาไปเห็นแต่บนอื่นมุดผืนแผดินลาวเห็นหมดเห็นประชาชนสามล้านคนทั้งหมดกำลังเป็นถูกเป็นอยากทำลงกดขี่ขุดเห็ดอยู่แต่ตัวเขาเองเขาโู้ัดมาเอาจริงเอาใจต่อการประพฤติปฏิบัติต้องมาเห็นน่ะเอที่แท้ในพระพฤติแถาบริวอย่างอันอื่นนะพน้อยตะลึงชีวิตนี่สุดๆุดซีวิตและซีวิตนี่สุดซุดไ่มีอย่างอื่น โอ้โห oh นี่เขาเบิ่งนอกผลดีว่าศนงเบิ่งนอกโคตรนัน่นนั่นน้ำมันไหลขึ้นทั้งเนื้อือแทนที่เขาจะทวนกระแสไปตามน้ําที่องค์สมเด็จสมมาสามพระเจ้าคนณพบเขาละล้อยตามกระแสน้ำตามใจตัวเองไปตลอดเวดา ล, ลาแหล่งน้ํากรามน้ํากินน้ําเกลยอเอนี่เขาลงอิริตัวนี้เนะหลงอิลีตัวเนี้หนะลงผนะิดหลงผิดบรแมนโมหะธรรมดา มันเป็นความมืดบอดลีมมืดมืดมืดตรงบริเแสงสว่างเป็นอวิชาอิลีนั่นดังนั้นจึงว่าทั้งหมดน่นเป็นความหลงผิดในอดีตของขนอยหรือของอันธมาความทุ่มเทที่ได้ตั้งปณิธานเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนานี่นะจริงแห้งกาบริลดล่ะดังนั้นคําเม้าของพระเดชพระคุณเมื่อกี้นะี่เอ๊ ทางเสวงคะทางความเป็นเท่าเป็นแก่ทุกผุทภาพทั้งมดยังเอาจริงเอาจังก็พบปาฏิธานอันนี้แหละเมื่อเป็นขึ้นในนั้นในงานของพวกเข้าผูก่วมกันเปิดประตูพระนิพพานในครั้งนี้โดยการนำพาของผลิตะคุณของาราหลวงพ่อใหญ่เฮาเผินจะว่าเออ ดิ้นใจก็ยอมเอาเสียใจก็ ย, ย้าเอาเสยอยู่ก็ยอมเอาและหลายอย่างที่เพูนอธิบายเราถอนมาแต่ก็ยังบม่ได้หลดลาใดในความภูมิใจเห็นญาติธรรมทั้งหมดเอาอกเอาใจมาประพฤติปฏิบัตินี่เหมือนกขาว่าเอนี่ลูกเขานี่แน่เดี่ยวห้อยพ่อได้ล่ะเนี่ยเออดีดีดีดีดีนั่นะ อันนี้ความจริงใจแท้ที่ว่าน้ำกันนี่บุมนยังความจริงใจแท้เพราะหยัางเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของสภาวธรรมของโลกในปัจจุบันถึงพออุดมนี่นะแลน้ำโลกอเนี่ยโลกอยู่ในกามือบอุแมนกามือทรราที่ฝันเอาได้ใบถั่วมดที่ในโลกอันนี้นะเพื่อซอกแสวงหา ถาว่า ก, การค้นคว้าหามเพียนทั้งหมดนั่นเมื่อนางอธิบายมาเมื่อกี้นี่ได้ยังลรืนนะเปิดเปิไปว่าบุมีอย่างยังไ่แล้วในส่วนตัวแด่ยเป็นพุทธจริตคือบุอิ่มจากเถิดลงความหูนังซื้อเป็นห ล, ลายหมื่นเล่มที่ผ่านมานะั้น ว, ว่าของใครหละอของใครอ่านใน อยากหาความจริงว่าไพมีความเห็นคือในใดแต่ละอันแต่ละอันบมันปฏิบัติธรรมดาคั้นเมื่อเป็นจังสั้นแล้วส่วนใหญ่นั้นหนังสือสอนเขาว่าต่างคนต่างมาคนนำไล่ใส่กันกพื่ อ, อยากให้บอกให้คนอื่นว่าคอยเก่งคอยหู้เท่านั้นหอกแต่ความจริงตามความเป็นจริงแ ท, แท้นั้นไม่มีไพไขออกมา มีตั้งแต่หลวงปู่เทียนนี่เท่านั้นที่บอกตบเอื้ใส่นี่ถ้าโบเสือมาบึงมาปฏิบัติหนังกันดังนั้นคําคํานี้นะเออนี่นี่นี่นี่นี่โบเสียแห่งที่เขานุ่งสูงหูหูดผ่านไปนังกันเนาะเขาไปหาอาจารย์มาหาปานอยู่เนินพนาโอ้ดีดีดีดีดดดดดดสาธุนี่เนี่ยครูบาอาจารย์ของของเขาเนี่ย มันดีแล้วเป็นทางเพื่อนเป็นทางครูแต่ว่อาจารย์จังหวัดส่งเสริมสุญูสู้หนูนเห็ดจังไถมุดทุกคนจะหับหูคำคำนี้เห็นแสงสีกลิ่นไอที่เป็นมหามงคลว่าที่นั่นก็มีการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีการปฏิบัติธรรมที่นั่นก็มีที่นี่ก็มีผู้กระดมกัน ภูมิใจน้ำพาก็คือหลวงปู่หรหลวงพอ่อมาหาเดรศของพวกเขาถึงบุหูจกักอิดจักเมยความภูมิใจเนี่ยเกิดขึ้นมานานนานนานนลูกสาวโทรมาหาอุดมสมพรพอ่อนั่นขนาดลูกเจ้าเยียมห้อยตีนพ่อแล้วสวยทุกกระเบียดหนิ่วลูก เหตุทุกอย่างคันพอไปได้พอก็จะไปแต่ว่าพอไปนั้นมันเป็นภาระของคนอื่นจะเอาเลยดูนี่มันกำลังหอมหวนอยู่แต่ก่อนนะหอมหวนแต่ตั้งแต่พระในสารัฐอเมริกาานิพมด์เขาเข้าใจหรือหอมหวนอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าคำคำนี้ ลูกหลานเขาโทรศัพท์มาจากที่ฝรั่งเศสก็คืออยู่ไซแดนเยอรมันบอกว่ามีหลวงพ่อเดเรยกมานั่นไม่ใช่ลูกหลานพ่ออุดมมด อ, อยออกมาจา์แดงนั่นดนั่นจังว่าโอ้โอโอโอโอนั่น่าน่ น, น, น, น, น, น่ทุ่งไส นี่โบกสะบัดไปเถิงนั่นภูมิใจวัเดยร์ได้รับขา่าวว่าคลาดทอดเยอรมันพนเขาก็โทรรศัพท์มาบอกภูมิใจเออดีดีดีดดเฮาก็หายใจว่าเออนี่คนดีมันจะบบเสียหายจักเถื่อมันต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งพูดขึ้นมาเผยสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยความจริงอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือว่าบรรพบรุษของพวกเฮา สิงว่ากันมาทั้งหมดนั่นเฮากระบอกเข้าใจเฮากระบดได้เพื่อแข่งภาษากันได้จะแข่งภาษาบาลีได้จะแข่งภาษ า, า, า, าธรรมะแต่ภาษาโคกภาษาศากจะเขาจะเว้ากันแท้ๆเขาราบอกเข้าใจกันเลยเพราะว่าคนที่เป็นถูกชวนหลายมาโคกสาเขานี้แม่นบอกละเขาบอกเข้าใจดังนั้นลุงพ่อมหาดีเด็กนี่ว่ากันแบบกันเองนี่ เ, เข้าใจหรือเปล่ามันจะไปเข้าใจได้จังได พวคนที่มากกับตำขอกตำสาคนนี่นนะฮะเราเราพูดคาดขั้นเอาลงมาจากจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาธรรมะจากสัานชูกมหาสันตํตสู้ถ่ายมาเว่ากันอันนั้นเดีเมื่อยนี่ยมันเป็นยังไงพอใจมันเป็นยังไงย่านกลัวเป็นยังไงเสียใจเป็นคืนอยังไงเนี่ยนเะจ้าพกสภาพอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้นี่เจ้าเห็นวิธีใดแก่ใครใดว่าภาษากันเองนี่โบแมนเจอพุทธศายละเอวงัง เขาใจยังแหละนั่นนะดังนั้นจะว่กความภูมิใจในมีพอคุณเจ้าที่สืบต่อพระุฏิศาสตราโเดยกรเนีหยังไงพออุดมบุญเจ้าว่าจะเห็นตะเวนามู่บุลุมูอื่นเนี่ยเจ็่มงนหนักขอมกอยู่นี่เพื่อกำลังใจหมู่ฝูงที่มาประพฤติปฏิบัติใด้นีลูกหลานเขาพวกเอาหลายคนว่ามาห้ยไปเป็นเช่นนั้นรทรมานนับดิ้นอยเหรออิโฉาบาที่พวกเจ้าอยเหดวให้พระปฏิเจ้าได โดย เ, เหเวียงให้อิโปโอปเนี่ยขอยเหให้พวกเจ้ามากมายไกลองพนจีไทยขอยจะมีมวยอยู่พรพวกเจ้าบูดับหูยังความหับหูและห้หูซึกออกมาจากใจแท้ๆว่าอันใดมันเป็นอันใด น, นั่นนะมันมวยภายหับหูทั้ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรมามาเพิ่นวาวาชิหกอาชวไข่แสนมากครับเพื่อให้ได้คำเดียวเกี่ยวกับกว่าชีวิตคืออะไรกันแท้ๆมันเป็นถูกหรือมันเป็นสุข มันแมนบอเข้าอยู่หรือโบอแมนบออยู่นี่ยืนสินี่เพิ่นบอกว่าโบแมนได้ลูกได้วันเวลาผ่านไปผ่านไปได้ลูกแต่มันบบ อ, อยู่เก่าเดยทุกบาทก้าวหย่างของเจ้านั้นแมนหย่างเขาคุมฟังตัวจะได้ลูกในขณะ น, นี้เจ้าเห็นอยังอยู่ลูกอย่าประมาทเดี๋ยวลูกเข่าซะเท่านั้นคือหมดเรื่อง เพิ่นกางับปากลงแต่มือนั้นสองพันห้ารอยปีมาถึงมันนี่มีอย่างใครเห็นเพิ่นเขามันรอนั่นรอนี่ขึ้นมาขึ้นซื้อแต่พอพระเจ้าตัวจริงอะคือสภาพโหที่อยู่ในใจคือตัวเสดมหาภสชานสีที่เพิ่นแต้มเป็นแผ่นที่ว่าให้แก่เฮาแล้วานั่านกายวาิถีจิตธรรมแค่นี้แต่เฮวยังบูฮู้เฮาเองตั้งแต่มือนอนรับหามือตื่นนอนตื่นนอนมาแล้วห้ามือนอนรับใหม่มีแต่สิ่งนี้ เกี่ยวกับชีวิตนี่เพราะทั้งหมดที่เป็นคนพบนั้นแม่นลีลาของชีวิตของพวกเขาเหตุไดเขาจะบวเป็นถุกเพื่อนวามาเมื่อกี้นี่มันทั้งหมดมันพร้อมอยู่หันจึงขอร้องให้ลวงุกลาลานของพวกเขาอย่าพากันประมาทเลยนะอย่าพากันประมาทแท้ๆกิจการงานเหตุใดมีมากมายกายกองแล้วแต่ขันแต่ภูมิของไคของเราทั้งหมดนั้นมันบุได้เกี่ยวกองกิจกรรมหยกมือนี้เ่าใดเข้าใจบวล่ร ในสภาพใดที่เฮาเห็ย์ยังไดให้อยู่ในสภาพการปฏิบัติของเฮานั้นเฮาล่างถ้วยอยู่กันนั้นละขณะ น, นี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เฮาล่างถ้วยเขา้าใจว่ล่ะล่างถ้วยอยู่เพราิตว่ามาหยุกมือมันบกหันในอันที่ว่ากันมาสูงสูงชิงชิ ง, ช ง, ชงว่าเห็นนนุนั้นนั้นนี้อนี้ก็ะบอมีหรอโน่ทุกการเคลื่อนไหวของท่านทั้งหลายนั้นนะท่านมีสติระลึกฮูบอว่าขณะ น, นี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้าเหตย์ยังอยู่ เท่านั้นเหตุไปแล้วเห็ไเุไปแล้วเลยแะจากสตินอนน่อยกลายเป็นมหาสติอันอันท่านอาจารย์ัญาธรรมว่ามาเมื่อวันนั้นนะ่ะค่อยๆไปโยมจมามา <adop> ังไมันหักเอาเองนั่นคำว่ า, าปิ้งนี่แหะสําคัญที่สุดมือหนึ่งสะสขึ้นสมขึ้นผลเอออารมีเป็นการสะสมถอนมาถอนมาเห็ุมาจอมเข่าจอมเข่าจอมเข่าโอ อารมนี่ก็แกได้อารมณ์นี่ก็แกได้เท า, เานี่ทุกอย่างเป็นปัจจุบันธรรมเป็นเลือดสัน ต, ต, ติมันหักปิ่งขึ้นมาเองของจังสั น, นมาดัางนั้นมาถึงนี้ผ่านจะบอได้ความพูนี้จากผู้เท่าดีมีตั้งแต่คำว่าดีอกดีใจภูมิอกภูมิใจจะเห็นหนาลูกหนาลานหายติธรรมของพวกเราเกษรเกษม เพื่อมาไขประตูผลิพานห่วมกันถึงหากจะว่าความดีใจก่าอย่าได้ภูมิใจเพอมันเปลี่ยนเดอ้อความเสียใจก็ อ, อย่าได้ภูมิใจเพอมันเปลี่ยนแปลงไปเดอ้อเหตุอยงไรจะที่อยู่เหนือนั้นอยู่ในสภาพของลูกกุตราธรรมถึงอยไางใด้กับโผลุ่มก็มยังดีใจอยู่นั่นแหละอขอบอนุมโมทนาธรรมเถิดเถิดขอหนมที่ว่าเดินผดกันได้แล้ ได้ฟัง <c oughs> น้ำเนียงเสียงเรียกของหลวงพ่อผู้เฒ่าแล้วนะ <c oughs> ว่าท่านมีความตั้งใจขนาดไหนตลอดชีวิตของท่านนะ <c oughs> บุกป่าฝ่าดงปืนมาจนถึงวันนี้ช <c oughs> ิ้นเนี่ยดูดิเสียงทำไมมัน <c oughs> มันมันคู่นะครับอือเลยฝ่าฝ่าดงมาจนถึงวันนี้ก็เรียกว่าสู้ถึงสุดฤทธิ์ว่า ง, งั้นเละนะ แม้แต่คนห น, นุ่มสาวที่มีกําลังวังชามากก็ยังสู้ท่าไม่ได้ถ้าว่าคนเหล่านั้นคนหนุ่มคนสาวทุกวั น, เ, นเอาหัวใจของท่านเข้าไปสวมเนี่ยามาว่าจะไปไกลขนาดไห น, นจะช่วยโลกได้ขนาดไหน น, นะเอาลังกายของคนหนุ่มคนสาวแต่หัวใจของท่านไปใส่ดูนะน้อเสียดายคนที่มีกําลังวังชาดีมีสติปัญญาดีแต่ว่าแรงบันดาลใจยังไม่พอที่จะทุ่มเท นะก็ อ, อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนี่เราแต่ละคนน่ะก็คือระเบิดปรามนูแต่ละลูก น, ะนั่นเองไงถ้าเข้าถึงจุดชนวนเท่ามาแล้วเนี่ยมันสามารถระเบิดอวิชาที่มันอนอนเนื่องมาหลายภพหลายชาติกันให้แตกละเอียดออกได้แต่ระเบิดตัวนี้มันยังไม่ระเบิดสักทีนี่อมันไม่เลยระเบิดทั้งหมดก็ระเบิดไปเทียนนิดระเบิดเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะหมดก็ได้อ บอกขอาวิชาตัวนี้มันใหญ่หลวงดัะนั้นเองก็เราก็มีคนหนุ่มนะที่เข้ามาศึกษาอย่างพระหนุ่มของเราเนี่ยมีถ้าท่านมีสถานและความเพียรสูงขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะช่วยให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับศ า, าสนิกชนของเรานะที่มาก็ยังเสียดายเียพระ ุ่มในน้อยนะพุทธศาสนาของเราโดยเชพาในเะมืองไทยปีได้สามแสนสี่แสนรูปที่จะทุ่มเ ท, ทจิตใจออกมาเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะในปีหนึ่งสักกี่รูปยังนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเอ ง, เองในช่วงต่อไปนี้เราก็จะได้ฟังพระอาจารย์เชยันท่านมาศึกษาเรื่องนี้แล้วท่านได้มาสังเกตการปฏิบัติของอญาติโยมแล้วว่ามีอะไรที่ คนจะเพิ่มเติมเสริมแข่งที่ท่านมองเห็นข้อบกพร่องหรือข้อที่คนเพิ่มเติมท่านก็จะแจ้งให้เราเพิ่มเติมให้เราซึ่งตัวของท่านเองก็มุ่งมั่นมาทางนี้แน่นอนแล้วนะที่เราทั้งหลายที่ได้มาร่วมได้มาศึกษาทางนี้แล้วท่านสังเกตเห็นอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมเสริมเวลาเรากลับไปอยู่ที่บ้านที่ทํางานแล้วนี่เราควรจะอะไระลึก ถึงนอกจากคำเตือนของหลวงพ่อแล้วก็พระเราก็จะให้ข้อคิดข้อสังเกตดีเหมือนกันที่ร่วมปฏิบัติกันมานะเพราะฉะนั้นเองก็แม้ว่าในคาพูดคากล่าวเหล่านี้มากมายหลายความก็เราอาจจะจับเอาสักความหนึ่งข้อหนึ่งที่มันสกิดใจของเราได้ไปนึกอยู่อย่างสม่าเสมอก็กุญแจที่มันจะเปิดประตูได้มันไม่ได้หลายลูกก็ไม่มีลูกเรียวนั่นแหละ แม้ว่าในพวงมันจะมีหลายลูกก็ตามนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่จะไปไขประตูใจเรามันมีคำใดคำหนึ่งที่จะเป็นกุญแจสกิจใจของเรามันอาจจะเปิดประตูออกมาได้อย่างเต็มที่ก็ได้นะขอฟังคำงท่านดู กราบน้ำระสการขอโอกาสแก่คณาหสงฆ์ขอขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกท่านก็ตามที่ได้ปฏิบัติธรรมกันมาในในสายนี้ก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่เราได้เดินทางมาอยู่ในสายของสติปัฏฐานสี่ซึ่งในบทสรุปที่พวกเราได้อ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วว่า อ่ามันเป็นทางสายเดียวที่ทําให้เราพุ่งตรงสู่วันนี้ผ่านหรือความสิ้นทุกอันนั้นได้เพราะฉะนั้นเรามาเรียกความมั่นใจก็เลยจึงทําให้เกิดอ่าระลึกนึกได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่สําคัญที่สุดคือตัวเรานี่แหละขอให้มีความมั่นใจแล้วก็เดินตรงต่อไปมันจะทําให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์อันนี้ได้ แล้วก็การปฏิบัติทำทั้งหมดนั้นก็มีอยู่ที่กุญแจสาคัญดอกเดียวคือความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวอันนี้แหละเอาไปใช้เอาไปพัฒนาตัวเราเองเอาไปแก้ปัญหาของตัวเราเองได้หลายๆคนไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่ไม่รู้สึกตัวด้วยซ้าไปว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่ฟัง ด้วยความจ้องจับผิดหรือฟังด้วยการหาเรื่องหูหาเรื่องเนี่ยลักษณะของการที่เป็นคนหูหาเรื่องฟังอะไรขึ้นมาป้าก็ไปตีความให้มันเสียอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกตัวในการฟังเราไม่มีความรู้สึกในการดูซึ่งสภาวะกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวสภาวะที่มันเผารวรนของเราเผารวรนทางตา เผาลนทางหูมันเผาลนทางตาหมายความว่ายังไรอ่ะหมายความว่ารูปที่เราเห็นทุกทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันสวยและดึงดูดใจให้เรามีการเปลี่ยนแปลงการกระทํามันเผาลนจนกระทั่งเราดิ้นลนจิตใจเราดิ้นลนให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทําในทางที่ดีหรือในทางที่ชั่วอาการเหล่าเนี้มันเป็นอาการของตัวกิเลสทําให้เกิดการกระทําเมื่อมีกิเลส ก็จะทำให้เกิดการกระทําเมื่อมีการกระทําขึ้นมาก็จะมีผลของการกระทําซึ่งเป็นวิบากถ้าเรากระทาในทางดีผลที่ออกมาก็จะเป็นวิบากที่ดีแต่ถ้าเราเผลอไปทํากรรมเข้าแล้วเราปฏิเสธผลที่เราจะต้องรับในอนาคตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวในขณะที่อารมณ์เข้ามากระทบแล้วเราสามารถเลือกทางเดินได้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สรุปได้แค่เพียงสามข้อก็คือละความชั่วทําความดีทำใจให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะแยกแยะได้ทุกขณะเลยว่าสิ่งที่เรากํำลังจะกระทําต่อไปนั้นมันเป็นความชั่วหรือเป็นความดีมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลหรือมันเป็นสิ่งที่เป็นอภิมงคลมันเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศล<ม>เมื่อเราแยกแยะอย่างนี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่า ต่อไปนี้เราตั้งใจตั้งปณิพันธ์แล้วว่าเราจะไม่เดินไปในทางที่เป็นอกุศลเราจะไม่คุกเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นอัปมงคลเมื่อเราถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เหลือแต่ก็่ทางแห่งความดีเมื่อเหลือแต่ทางแห่งความดีแล้วจิตใจเราก็จะสงบจิตใจเราก็จะเป็นสุขเราก็จะมีความมั่นใจว่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรจะมาดึงเราได้แล้ว เ้วเหลือแต่ความเจริญก้าวหน้าอีกแต่เพียงฝ่ายเดียวเหลือแต่ความสุขแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะนั้นกุญแจสำคัญก็คือความรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันเรากําลังทำอะไรอยู่เราสามารถที่จะเลือกทางเดินของเราได้เราสามารถที่จะเลือกอนาคตของเราได้เราสามารถที่จะเลือกเป้าหมายไปทางของชีวิตของเราได้เมื่อเราเข้าใจประเด็นหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ า, วาละความชั่วทาความดี และทําใจให้บริสุทธิ์ซึ่งการทําใจให้บริสุทธิ์ตรงนี้มันก็เป็นการทําใจให้บริสุทธิ์มันมาพร้อมกันนั่นแหละการที่จิตใจของเราสะอาดจากสิ่งที่เป็นอปมงคลทั้งหลายใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาตามลําดับขั้นตั้งแต่ในระดับหยาบจนกรทั่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกรทั่งจิตใจของเราสามารถที่จะอดทนได้ต่อสภาวะที่มายุ่ยยวนต่อสภาวะที่เข้ามากระทบ ซึ่งตรงเนี้ยเราเราจะเรียกว่าสามารถทําใจเป็นกลางได้ไม่ว่าสิ่งที่เข้ามากระทบในโลกธรรม ท, ทั้งแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาเราก็จะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบเรานั้นได้อันนี้คือสภาวะที่จิตใจของเราบริสุทธิ์และอยู่เหนือโลกได้ซึ่งอาการที่อยู่เหนือโลกมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทา มีทุกข์มีสุขมันจะเวียนสลับกันไปสลับกันมาอยู่แค่นี้ถ้าเราไปหวั่นไหวกับมันมากจิตใจเราไปท้อแท้กับการสูญเสียจิตใจเราไปท้อแท้กับทุกข์ที่เราเคยเผชิญเราก็จะไม่สามารถที่เดินต่อไปข้างหน้าได้ทั้งๆถ้าเราทำใจให้มันเป็นกลางๆแล้วหรือเรียนรู้เพื่อจะทำความรู้สึกตัวเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่เรากาลังเผชิญอยู่ในโลก ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทางดีเราก็ไม่พยองหรือดีใจจนเกินไปจนกระทั่งหลงและเลืองคิดว่าชีวิตนี้จะมีแต่ดีๆอย่างเดียวแต่เมื่อมันมีโอกาสพิกผันความลงไปเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเสียมันไปเมื่อมีได้มันต้องมีเสียเมื่อมีเสียสักวันหนึ่งมันก็จะต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ก็คือว่าขอให้มีความมั่นใจในทางสติปัฏฐานสี่เมื่อเราได้เดินเข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเป็นเส้นทางสายเดียวที่จะพาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เราจะไม่ออกไปจากเส้นทางนี้โดยเด็ดขาดเมื่อเราเดินอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเราสามารถที่จะปิดนรกได้เราสามารถที่จะปิดความทุกข์ ทางกายทางใจและความขุ่นมัวในจิตในใจของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พบได้เจอและเราเข้ามาเดินอยู่ในเส้นทางสายนี้แล้วมีแต่คนที่มีปัญญาน้อยเท่านั้นเองถึงจะเดินออกไปจากเส้นทางสายนี้ตอนนี้เราได้มองเห็นเส้นทางเส้นนี้ชัดมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรคอยช่วยชี้นาทางเหมือนเรากับเหมือนเรากําลังเป็นเด็กที่กําลังเดินเดินต่อแตกอยู่ขณะ น, นี้เรามีครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ เราพลาดขึ้นไปท่านคอยฉุดมือเราขึ้นมาให้เดินต่อไปเรามีความอึดอัดขัดเคืองใจเรามีความไม่มั่นใจท่านก็คอยประคองให้กับเราเดินให้ตรงทางจนกระทั่งเดินด้วยความมั่นใจขอให้เดินบ่อยๆเดินเหมือนอยู่ในเส้นทางนี้อย่าหมดกําลังใจเมื่อเดินขึ้นมาปัญญาของเราก็จะแก่กล้าขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเดินได้ด้วยตัวเองสักวันหนึ่งเราสามารถที่จะ เอามือยื่นไปหยิบฉ่วยพยุงให้กับพี่น้องของเราญาติของเราเพื่อนของเราอีกจำนวนมากที่กำลังรอเราอยู่ซึ่งความหวังของการที่จะมีผู้ชี้ทางตรงเนี้มันมีไม่มากนักหนกที่สำหรับคนที่จะเข้ามาเจอแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ชี้นำให้กับคนรุ่นหลัง คนที่เห็นทางแล้วไม่เปิดทางไม่บอกทางให้กับคนรุ่นหลังผู้ที่พูดปฏิบัติก็จะเข้านิพพานกันไปหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับศาสนาของเราในอนาคตคนรุ่นใหม่ก็จะงมทางกันใหม่เพราะนั้นเราอาจจะมองได้ง่ายๆว่าคนที่สนใจอยากจะมาปฏิบัติทางนี้มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของคนทั้งหมดแต่ถ้าคนไม่ถึง 1% เปอร์ซ็นปฏิบัติ หลุดพ้นกันไปหมดแล้วไม่มีใครสืบทอดต่อทางสายนี้ก็จะดับแล้วก็จะปิดไปเจอยังเจอจนกระทั่งคนรุ่นใหม่มาค้นคว้าเอาใหม่หาเอาใหม่เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพุทธะนั้นน่ะมั น, ม, นมันไม่ใช่เรื่องที่จะขาดศูนย์แต่ว่าคนที่จะเป็นพุทธะนั้นมีอยู่ในตัวทุกๆคนถ้าคนนั้นมีความตั้งใจที่จะ มีศรัทธาที่จะพยายามพาตัวเองพ้นจากความทุกข์อันนั้นได้คนที่มีความตั้งใจที่จะมองเห็นทุกข์ที่เป็นความทุกข์จริงๆมองเห็นทุกข์แล้วรู้ว่าเนี่ยคือทุกข์ไม่ใช่เห็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ใช่เห็นทุกข์แล้ว ย, ยังมีความยินดีอยู่ในความทุกข์อันนั้ น, นเหม อ, อย่างที่อาจา ร, รย์บอกว่าความทุกข์อันนั้นก็คือไฟแต่ไฟถ้าหากว่าเราใช้เป็นไฟอันนั้นก็จะพามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็น เราก็จะถูกเผาแล้วก็วอดไปเหมือนกับมแมลงเม่าบินเข้าของไฟไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตามทางนี้แล้วอาจารย์ก็มีความหวังว่าขอให้คนทุกคนสามารถที่จะดับความทุกข์ในใจของตัวเองได้และขอให้เดินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจอย่าท้อแท้อย่าผิดหวังอย่ากลัวอย่ากังวลขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกๆ ท, ท่านเทอนินสาธ ก็ <c oughs> ได้ให้พร น, นะว่าทุกคนมีพุท ธ, ธะอยู่ในใจอยู่แล้วนี่เราจะทำยังไงให้พัฒนาหรื อ, อช่วยปลุกช่วยปลุกให้พุท ธ, ธะในตัวของเราตื่นขึ้นมาจนเป็นที่พึ่งของเราได้เหมือนเรานี่สลบสลายอยู่ทีนี้จะทำยังไงให้เราได้ตื่นฟื้นขึ้นมาเดินทางต่อไป เพรว่ายังสลบสไลดอยู่กับกินเลามกับเกียรติเนี่ยไม่ไม่ยอมบนไม่ยอมเดินไปไหนวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละนะทีนี้พอเรามาช่วยกันปลุกให้ตื่นอย่างนี้แล้วพอได้ที่ได้ทางแล้วก็ต้องรีบเดินทางนะก่อนที่ร่างกายของเรามันจะไปไม่ไหวนะต้องรีบเดินก็เดินไปนี่ก็เดินอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเพเดิน ไปในแง่ของวัตถุนั้นคือเดินไปข้างหน้าข้างหลังเดินไปใกล้ไปใกล้แต่เงินในแง่ของปาราบัตคือเดิน อ, อยู่ปัจจุบันเดินอยู่ในปัจจุบันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันอยู่กับที่แต่ว่ามั น, มนจเจริญขึ้นเรื่อยๆเยนะีมันไม่ได้โตไปไหนมันจเจริญขึ้นพอได้รับแสงสว่างของพระอาทิตย์ได้รับน้ําได้รับ อากาศที่บริสุทธิ์ก็เติบโตขึ้นเป็นเป็นลูกเป็นมักเป็นเป็นหมากเป็นผลว่าเราว่าใจของเราเหมือนกันถ้ามาอยู่กับปัจจุบันมันก็จะเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นรับ แ, แสงสว่างของพระธรรมมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นมักเป็นผลนี่ยมันมีอยู่ในคนทุกคนเพราะฉะนั้นการเดินทางของรูปรธรรมอาจจะเดินทางจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งแต่การเดินทางของนา ม, ม, ารมาธรรมหรือปรมัตธรรมเดินจาก ปัจจุบันให้สูงขึ้นไปนะเดินขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่ได้เดินไปในแนวราบแต่เดินไปแนวดิ่งในโลกอยู่ใน ใ, นในใจมนุษย์เท่านั้นทีนี้สําหรับสมพรณ์เดี๋ยวยื่งไปสําหรับนายพระหนุ่มของเราก็เป็นความหวังว่าท่านจะตั้งใจจริงจังต่อไปนะแล้วท่านชานธรรมก็มาเป็นเพื่อ น, นเราที่นี่เป็นปีที่สองซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุยังหนุ่มยังน้อยว่าท่านได้ เดินเป็นเพื่อนเรามาหลายวันท่านได้สังเกตอะไรที่ควรที่จะชี้นำให้ญาติโยมได้นำไปเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจไม่ให้ประมาทได้บ้างเราลองฟังท่านดูนะก็ขับขอกากขบาจันทร์แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านหลังจากที่เราปฏิบัติมาครบ เวันพอดีเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าวันนี้ก็วันที่สาสิบเอ็ดพอดีละการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบก็ตามนอกรูปแบบก็ตามเราก็เราก็ต้องทำมานะในรูปแบบคือเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องทําให้มันเป็นรูปแบบแต่ว่าถ้าออกจากนอกรูปแบบไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดครูบาอาจารย์ไม่ว่า ใครๆก็ตามท่านก็จะแนะนำว่ า, าให้มีสติในขณะที่เรากำลังทำสิ่ ง, งนั้นนั้นถ้าเผลอไปบ้างแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่เสียหายอะไรเที่ยงแต่เราทำซ้ำๆบ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นการสะสมพลังที่จะให้สติของเราได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอันนี้คือเป็นการพอกพูนถ้าเราอยู่รวมกันมากๆแบบนี้เราประพฤติปฏิบัติหลายคนที่ รายงานอารมณ์เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติมาอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของเขาคือมันเกิดขึ้นในขณะที่ผ่านมานั้นทีนี้ต่อไปมันก็จะเป็นอารมณ์ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมันไม่เหมือนเดิมกับอารมณ์เก่าแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎไตรรักของอในทางพระพุทธศาสนาท่านก็กล่าวเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสียเรียดเราอย่าไปตึงเครียดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นการประพฤติปฏิบัติของเราให้เราทําไปเรื่อยๆทําใจของเราให้มันสบายๆให้มันเกิดมีความสุขกับการประพฤติปฏิบัติของเราเราไม่ต้องไปสใส่ใจกับสิ่งอื่นว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกอันนี้อันไม่ใช่อย่าง้นอย่างั้น เราทําของเราเนี่ยแหละให้มันสบายสบายกับเราดีที่สุดนะออารมณ์อื่นๆมันเกิดขึ้นก็ให้รู้รว่ามันเกิดอารมณ์ที่มากระทบกับเรามันเกิดปฏิฆาเกิดอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของมันเฉยๆนั้นนะเอะเราอย่าไปไปเล่นกับอารมณ์สิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเอท่านให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละอันนี้แต่เราจะรู้ยังไงทีนี้ทีนี้เราเข้าไปแสดงเข้าไปเป็นกับมันเสียเองอย่างนี้ ไปยึดว่ามันมันเป็นเราเราเป็นมันก็ไปเล่นกับมันแบบนั้นมันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์คลุกขี้กับอารมณ์แบบนั้นมันก็ไปกับอารมณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านให้ศึกษารู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดอาการทำอะไรทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น อ, อยู่กับคนมากๆแต่เราทำแบบของเราเหมือนกับเราอยู่คนเดียว ก็ขอฝากเอาไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบนอกรูปแบบเราไปที่อื่นไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนําโดยเฉพาะหลวงพอ่อมาดิเรศท่านได้แนะนําให้กับพวกเราในการประพฤติปฏิบัติตอนที่ท่านยังมีอุดมการณ์ยังมีไฟในการเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอยู่ตอนนี้เทปบันทึกเสียงท่านก็ได้บันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอก็แล้วแต่เทปเสียงธรรมะก็แล้วแต่ก็จะเป็น สิ่งที่ทรงคุณค่าในอนาะคตต่อไปก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ได้ <c oughs> ฟังว่าท่านเจ น, นธรรมได้ให้ข้อคิดเตือนใจเราบอกว่าการที่ เ, าเรา ไม่ประมาทนะนำไปปฏิบตัติต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ไปให้ความสำคัญอะไรสิ่งข้างนอกมากนักแต่ว่าความสำคัญที่มีการกระทราําอี่สําคัญแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่เราได้อบรมกันอยู่นี่หกเจ็ดวันเนี่ยสิ่งที่สําคัญเราเสมือนกองทัพธรรมของพพุทธเจ้า กองทัพต้องเดินด้วยท้องหมายถึงว่าเราจะต้องมีสเสบียงกลางในการเดินทัพนั่นก็คือเราจะต้องมีกองสเสบียงฝ่ายครัวของเราจึ่งการอบรมทางนิพิทิการหลวงพ่อเทียนที่ทางเฟสโนทุกครั้งนะก็มีโยมสมพรซึ่งเป็นสมุนลูกสาวลูกบุญธรรมของหลวงพ่อเนี่ยได้มาให้การสนับสนุนทุกครั้ง เมื่อกําลังกายกําลังสติปัญญากําลังทรัพย์ทุกส่วนเนี่ยเพื่อเป็นการตอบสนองตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้าและหลวงพอ่อที่ได้ให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะก็เขาเอาแรงตัวนี้เป็นตัวตอบแทนบุญคุณซึ่งก็หาได้ยากนะกเขาเรียกเป็นกระตะเวทีบุคคลดังนั้นเองการที่เรามาจัดอบรมเที่ยวนี้เรา มีอะไรที่มันขาดมันเหลืออย่างไรที่ยุมสุนพรครอบครัวได้ช่วยเหลือมีอะไรหนกักหนากืนกําลังที่พวกเราจะช่วยได้ยุมสุนรก็จะแจ้งให้ทราบพวกเราก็จะได้เพิม่มเติมช่วยกันอีกนะเพื่อว่าไม่ให้เป็นการเบียดเบียนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้วก็ข้อคิดประเด็นรรมอะไรต่างๆที่จะนําฝากให้เราไปพุทปฏิบตัติต่อไปก็ ช่วเวลานี้ก็ขออยากให้ยุพรได้ชี้แจงและให้ขอคิดอะไรแก่นักปฏิบัติก็ขอกาบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออุดมแล้วก็คณะสงฆ์ทุกๆรูปขขาหน่อย กบพมิหยังขนโอยกอยากขอแจ้งรายละเอียดให้ฟังเนาะที่ว่ากัลยาณมิตรทุกผู้ทุกคนเนอที่ว่าได้มาช่วยเป็นกำลังใจพออุดมและแม่ ข, ข่าวซุกเนาะกับทีมห้นนำมาช่วยเหลือเกือ้อกูลทางพี่ทั้งซีโนยกับขาโนยกาภูมิใจว่าทุกคนให้ความรวมมือหรือว่าตั้งใจในการปฏิบัติและให้ในสายงานของหลวงพ่อเทียน จเจริญงอกงามขน่อยขาหน่อยจะ ข, ขอกับอนุโมทนาสาธุน้ำถูกผูทุกคนขน่อยอในประเด็นที่ว่าขาหน่อ ย, อยากขอแจ้งหน่อยหนึ่งในเรื่องการงานตรงนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มขาหน่อยไปวีท e ี t อยู่บ้านคุณกุ้ง ที่เป็นเอ็มตีเฮาที่หลวงพ่อเพิ่นมีศรัทธาในหลวงพอ่อได้เพิ่นก็เลยให้เอาพระไปเก็บประลม้มอยู่ในบ้านเพิ่นสถานที่นั่นเพิ่นการวบรวมปัะจุประจัยทุกคนที่นําไปช่วยเหลือพี่ขอโทษนะพี่ต้องพูดภาษาลาวนะเข้าใจเนาะอ่าก็เพิ่นก็เลยอ่ารวบรวมปัจจัยถวายพระแต่ในส่วนบุญผู้สนที่หลวงพอ่อเพิ่นโบรับปัจจัยเพิ่นก็เลยเอามอบคำว่าเป็นรีทวีตของเฮา ในครั้งนี้รวบรวมเงินได้ประมาณสามรอยสี่สิบเนาะหลวงพอ่อแล้วก็หลวงพ่อเลยเอาโมลงมาเป็นเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำมาสุดนี้แล้วก็เอื้วยใหน่ในเนสซีพี่วนิสาเพิ่นกระซอย1อยดุลา่าลงมาก็เป็นสี่ร้อยปลายแล้วก็เมพิมพ์พาสี่สิบน่นะก็เป็น เพิ่มมาแล้วก็เลยมาสมทบกับของข้านียที่ว่าเป็นทึนที่ว่าในกาลชีวิตครั้งนี้ในอาหารข้านียก็เลยโบไลเลยซะรวบรวมแล้วก็ซีอยู่ในเล้วตกเป็นแปดรอยปายที่ว่าในทึนที่มันออกมาแต่ข้านียรับผิดชอบส่วนที่มันเหลือที่ว่าเพิ่นโบโ บ, บ, บพอว่าสันซะแล้วเราก็ยังโบได้อ่า น, นก็เลยมาก็เลยไปโบไลเรื่องตรงนี้แต่ทึนเขาอยู่ในหันมันซีอยู่ในเล้วหมง800่แปด้อยปลายว่าสันซะ บาดมีมาในงานเกิดขึ้นขน้อยกะทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องเขาเนาะกับมันน้อยแต่ว่ากับพี่น้องเขาก็ลให้ความสนใจแล้วก็ให้อเมตตาทําขน้อยนี่แหละยุไซกันนามาตัวอย่างคือเจงกับไอวินไก่สองมือมือหนึ่งกันนามากันนอนขอมอยากให้อาการปฏิบัติของเขานี่ ยังคงอยู่วัชรามาให้กำลังใจเมต่มือหนึ่งสองมือกันยังตามมาขณะก็ขออนุมทนานองทั้งสองที่ว่านำซวยเหลือเกลื่อนในสายงานของเขาเออกรมาซวยแล้วก็ พี่น้องของสซเนโกเฮากระห่างกคนได้สองสามือกับเปลี่ยนทยอยไปทยอยมากันยังดีคือเอ้วินคิบสิบมาบได้แล้วเอ้มวยกันยังมาได้ก็ขอขอบคขอบใจเดอ้อเอ้ทุกคนขอให้น้ำเอาสิ่งที่เขาได้หู้ได้เห็นนี่ไปประพฤติปฏิบัตินำอยู่ในบ้านของเขาเพราะว่าโบเมนว่าจะต้องเฮาย้ำหลวงพ่อมาเฮาสิน้ำเพลินและมาเหตุแต่แทก แต่อยู่น้ำตอนวิธีเกิดกับโมเมนต์ยังสั้นนะมันก็นต้องได้เหตุอยู่กับบ้านเขานํำอีกพอเขาหู้เลยการศึกษาน่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาน่าอยากว่าวตัวนี้มันจบว่าพี่นอ้องป้องป่ายที่ม้าเพิ่นกับเพิ่น ก, นกมาโซยเรื่องอามอาหารหลายบันในเขานอยก็เลยอ่ารวบรวมเลยซะมุดทึงซนันเดโกแล้วก็อ่ า, อาในอ่ มินิโซตา Minnesota, เนาะลูกสาวคนก็ซอยร้อยสี่สิบรวมทมดเขาได้เงินแปดร้อยห้าสิบไรแล้วเสลียแล้วกะขั้นไรเป็นอาหารมันกับวพออยู่แล้วแหละแต่ว่ากับวเป็นอย่างเขาน้อยเอาเงินตรงนี้ทั้งหมดนี้ให้เป็นในน้ำว่า แปดยที่มันคงอยู่ในอาหารนี่แปลว่าจะโบหักโบถอดอย่างเลยเสียเอามาข้าน้อก็ได้นํามาปรึกษาหลวงพ่อว่ามันได้จํานวนเงินแค่นี้แล้วเขาเสดแบบใดหลวงพ่อเพิ่นก็ด้วยความเมตตาในวัดนี้หลายเพิ่นก็เลยบอกว่าโบต้องให้ห่วงเรื่องพระเขาทางพุ่นแล้วก็บโต้องห่วงเรื่องอาการไปการมาเพราะว่ามีโจลูกบุญธรรมขน้อยนี่แหละคือจูเนียนองสายจูเนียที่มาบวชข้างแล้วนี่ เออมาปฏิบัติข้าง้งสุดท้ายของเขา l ล s เ y e a ยนี่นะกับขึ้นเมื้อก็ได้ก็ได้คือคือได้สติหลายน้ำลงพอก็เลยนำไปบวชกับเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยถึงมันจะซึกแล้วก็ได้งานดีก็ยังตัดสินใจอยู่พุ่นก็ยังแนะนำส่งเสริมให้อายก็พอเขามาศึกษาอีกในคอร์สนี่ก็มีจิตใจงามที่สุด ก็ซอยให้อ้ายเอาเงินหาลอยดุล่ามาสมทบเม่พออีกสามรอยแล้วก็ให้คาน้ำมูกน้ำมันไปสองร้อยหลวงพ่อเพิ่นก็บอให้แต่ต้องอย่างมดเพิ่นบอกว่าเงินที่เหลือที่ได้มาที่คนช่วยเหลือเกื้อกูลถึงเป็นเฮ้าสิบด์อดการทึ้นแต่มันยังอยู่แปด้อยเพิ่นบอกให้อมุดนาทั้งทั้งเพิ่นก็ยังบอกว่าถ่ายยังบพเพิ่นปรึกษาเพิ่นว่าสีเอา ตืมบอเพลินเพลินสียหายตืมให้มันเป็นจํานวนนั้นซอยหลวงปูอุดมสาเพลินบาเพลินได้ลงทุนหลายทุกอย่างเขาก็ต้องการอยากสนับสนุนเพลินตรงนี้มันก็หายากเพลิน่าที่ว่าจะมีผู้อ่ำให้เขาได้มาประพฤติปฏิบัติหรือว่าให้สนับสนุนในการวิปัสสนากรรมฐานเพลินกับเพลินกับปรึกษาได้ขน้อยก็ว่าเออคือสียโอเคแล้วถึงบ่มีอย่างขน้อยสี่เป็นผู้ซอยเองที่ว่า the rest หรือว่า ที่ว่ามันบพเรื่องการสักพะห o m พะเจาเ้าอย่างเขาเลยสิจัดการเองก็เลยเขาก็ขอณมุทนาสาธุในจิตใจที่พึนประเสริฐพ่นต้องการอยากให้วัดนี้เกิดวิปัสนานี่ขึ้นมาทแท้ๆหรือสถานที่ตรงนี้อยากให้เป็นจังซีอิลิพ่นพ่อทั้งสระเหนื่อแหง้งแล้วกัทั้ง น้ำใจอันประเสริฐของพันธีว่าทั้งๆที่ญาติโยมต้องการอยากให้พันเอาเงินตรงนี้ไปซวยเหลือดหลายๆมองที่พันต้องเดินทางแต่พันกบน็บรยอมเอาพันเอาให้ขน้อยอยากเอาถวายให้พอ่อกับแม่อยู่นี่เพื่อเป็นประโยชน์หลายอย่างอยู่ในวัดนี้ ก็ให้ทุกคนอนุโมทนาสาธุในเงินแปดร้อยปายนี่เด้อขนอยสีโมทนาสาธุและขรวงมโนทนานคุบ า, าจารย์เพ่นกระบอกให้ขนอยโบ่ให้เลยในวัดป่าทุกคนโอเคแล้วทานน้ำมันมีแล้วเขาก็าหาได้ยากที่คุบ า, าจารย์ที่พุทธิมิจิตใจที่ประเสริฐ จ, จ้าซีที่อยากช่วยเหลือเพื่อกูลให้ ให้พุทธศาสนาว่าจงศิษย์สาวบวเจะจงว่าไห่วัดนี้ให้พุทธศาสนานี่ให้เจริญงกงามกะหาได้ยากที่ขน่อยติดตามลายสายงานแล้วก็ลายที่ที่ขน่อยนําไปาเมืองไทยแล้วก็ไปลายสํานักที่เพิ่นพาไปารีทีตไปซอยเหลือกะหาได้ยากที่จะมีครูบาอาจารย์ที่จะเห็ุเนวนี้ตามเนวนี้สิสั่ง สั่งมนุษย์หรือว่าสั่งคนให้เกิดสติหายเกิดปัญญาเพื่อเอาทกทอทนทุกข์ออกจากตัวเองเนี่ยนะมันหาได้ยากแต่ว่าหลายที่ว่าจะสร้างวัตถุสิ่งของอคนก็หู้แล้วแต่ว่ากับประเสริฐที่สุดคนน้ก็ขออนุโมทนานดำรงพอที่มีเกตนาดีที่ส่วยเหลือเกื้อกูลคนนั้นที่ว่าอยากให้วัดนี้นี่เกิดเป็น กำลังใจที่มีกําลังใจที่เขน่อยท่อหลายข้างและที่จะมามันก็หลายข้างอิลิเขาหนอยก็ท่ออิลิพราอวาต้องการอยากให้วัดนี้เกิดมีสายของหลวงปู่เทียนหรือว่าสายใดก็ได้ขอให้มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออยากให้ซอยให้ข้าเจ้าหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเขนอยก็ท่อหลายข้างก็ปรึกษากับเพิ่นเก็ให้กํากลังใจอยู่เรื่อยๆว่าจังไดเขาก็เอาที่ว่าทําเป็นหน้าที่อันนี้คือนาทีมีสองคนเขาก็เห็หนนาทีตรงนี้ให้มันดีที่สุด มีคนเดียวเขากระเฮ็ดแต่ขอให้มีผูดตั้งใจเขาต้องเฮ็ดเป็นแบบอย่างขนเลยก็ได้กำลังใจนในผลหลายที่สุดจังคอยงานตรงนี้ค่อยเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขนเลยก็ขอากราบาบุญคุณของพอที่ยังซวยเหลือเ ก, อกลื่อนตรงนี้ให้ยังมียังเกิดทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มันสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเขาเจ้าก็อยากจัดงานปีใหม่แต่พอก็ให้ข้าเจ้าเลื่อนไปเยือนไปก็ให้ความสะดวกสบายที่ว่าจะเฮ็ดนะแต่ก็ กะ บ, บึงต่อไปว่าท่าว่าเป็นเนวใดคันว่ามันพอเป็นไปได้ขน้อยกะสีกับเลียนพออีกเธหนึ่งว่าสีมาได้บบขน้อยกะย่านพันท่อคือกันคือขน้อยท่อพอมาอย้มใดมันกบบระโบโ บ่มีคนท่าน่ะแม่สุดแล้วนี่มาได้สุดนี่แม่มาได้สองมือกับนายกมตนาสาธุนนะแม่เดอร์มีผู้เดี่ยวก็นเลแต่ว่าก็เป็นจังได้กับยาทิมยาปะด้วยแม่เดอร์อยู่บ้านอยู่เฮือนก็เห็ดเนาะอ่ะจังได้กัขน้อยก็ดีใจแล้วแหละทุกคนที่ได้มาก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมได้เรียนฮู้แล้วก็ได้เข้าใจจุดใหญ่ของเฮาก็ต้องกลับเอาขึ้นเมื่อเห็ดอยู่บ้านเนานั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็ะเด็นนะกั บ่อยักให้แยกการปฏิบัติกับการทํางานมันสิเป็นการที่ว่าสอดคล่องต่อเนื่องเนาะที่ว่ากลับไปบ้านเฮาแล้วมันก็นจะได้เหตุอย่างสั้นแล้วก็สิ่งนี้กาลังใจขึ้นมาแต่ขน้อยเกษมบุรียังขอขอบคุณ ข, ขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่อ๋อช้าชัยก็มีกําลังใจที่ว่าพี่เว้าวให้ฟังว่าจะมา마วิ ธ, ทธีที่เฟชโนถึงว่าไม่ยังไม่ซึ่งถึง เท่าไหร่ตอนก่อนเนาะที่ไปวัดที่หลวงพ่อคำเขียนแต่ตอนนี้พี่ก็ยังมาก็ด้วยแรงศรัทธาก็ขออนุโมทนาคุณพี่ได้ช่วยเป็นปัจจัยตั้งหลายอย่างพี่ก็กำลังใจก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ลูกจูเนียด้วยนะถ้าเป็นยังไงก็แม่พิดพลาดอะไรก็อนุโมทนาด้วยเด้อโมทนาสาธุที่ตั้งใจพาพ่อมาปฏิบัติแล้วได้สำเร็จทุกอย่างเนาะการอนุโมทนาสาธุ ก็ผู้มีหน้าที่คุมในด้านเสบียงก็แจ้งให้เราได้ทราบไว้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรในซึ่งควมจริงแล้วการที่เราเสียสละเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยที่ยังมีอยู่ถือว่ายังน้อยไปนะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ให้ชีวิตทั้งชีวิตของเราซึ่งนับค่าไม่ได้แล้วในปัจจัยเงิทองต่างๆถือว่าน้อยมากที่เราจะเสียเขาไปกลายมาไปที่เมืองไทยไปทําที่วัดที่บ้าน ก็สร้างสี่เดือนได้เจดีเ์พอเจดีก็หมดไปล้านกว่าบาทแล้วก็สลาปฏิบัติธรรมอีกประมาณกับล้านฝาถนนขึ้นภูเขาอีกเส้นหนึ่งก็ล้านฝารวมแล้วถึงสามล้านฝาถ้าเป็นเงินอเมริกาเป็นเท่าไหร่เป็นแสนนะนะอือเป็นแสนกุหลาบน่ะนี่แสดงว่าเศรษฐกิจอที่เมืองไทยจะดีกว่าอเมริกาอเมริกาก็ยหาได้แต่ละ เหมือนที่ไม่ใช่ง่ายเลยเศรษฐกิจี่เมืองไทยไปกับอเมริกาเยอะนะเดี๋ยจะสร้างอะไรจะดีที่สร้างแค่สี่เดือนเสร็จนะนะจึงสร้างอเมริกาคิดกันมาถึงสิบกว่าปียังยังขึ้นไม่ได้เลยสลาหรือโบสถ์กำลังจะมาลงลางฐานวางศิลาเลิกกันเดือนสงการเนี่ยแล้วไม่จะเสร็จเมื่อไหร่นะนั่นเองก็ในช่วงนี้ที่ทางเฟสซโนมีคนน้อยก็เพราะว่าแยกไปหลายที่นะจะไปที่อพวกนึงก็รอยจะรอไปที่ ไอ้เซนิโกเดือนเมษาไปเอ่อปลายเดือนเมษา <c oughs> อากลางเดือนนะกลางเดือนเมษา <c oughs> ไม่ใช่ดิขอโทษปลายเดือนอ่าเมนะวันที่สิบสิบเอ็ดถึงสิบแปดแล้พวกหนึ่งก็จะรอไปที่อย่างกลุ่มของเซนิชิคาโกเนี่ยที่แรกจะมาที่นี่พอไปจะไปจัดที่เทนนสซี่ฮิโนกสวิลเขาก็เลยไปทางนน้นกันหมดก่อนนั้นถูดปลายเดือนเมษา นะสหรับชนกการเดินเม ย, ยา ง, งานก็จากนี้ไปก็ที่วัดป่านะวันที่หกถึงวันที่สิบสามที่รัศวีกัด เ, เดินในษาของเราวันทีเนี่ยอาทิตย์ต่อไปข้างหน้านี่แหละวันที่หกถึงอาจารย์สุภีที่เราฟังเทปของท่าน <c oughs> จะมาร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นอีกสามงานแล้วหลังจากนั้นอย่างยุมพรก็แยกไปทำอยู่ที่ฮาวายกับอาจารย์ดานะอีกงานหนึ่ง ก็มีสี่ห้างานก็้ที่ฮาวายงานเด้อมาหลังจากเสร็จที่เซนตโกจะข้ามไปฝั่งเศสกับรยอมันก็ประมาณสองงานมาเที่นี้มาแค่ได้สามสี่เดือนก็งานก็ได้แค่นี้นี่เราจะที่หลวงพอ่ออุดมท่านยืนยันบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในในโลกปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่เราไปอ้างชาติมีชาติห น, นานรนะกอยู่ที่นั่นสวรรค์อยู่ที่นี่มัน มันมจะไกลเกินไปแต่ปัจจุบันชาติปัจจุบันเนี่ยอะไรมันมีครบหมดอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปหวัองอะไรจากอาชาติไหนๆเอาชาตินี้ให้มันจบถ้าชาตินี้มันมีทุกอย่างก็จะมีไปหมดแต่วัด น, นี้มันไม่มีเราก็จะได้ไม่ได้เสียใจว่าเราได้ครบหมดแล้วเหมือนกันอย่านั้นเองเรา แต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในที่นี้คือครั้งต่อไปพูดแย่ไม่ชี้เรื่องว่าครั้งต่อไปนี่จะเอาคนเฟชชโนมาไม่ได้หลวงพ่อไม่มาแล้วนะ น, น, นะตรงนั้นเอาคนเฟชชโนมาได้แต่โดยเฉพาะอย่างที่คนหนุ่มคนสาวที่จะเป็น next generation ของเราเนี่ยเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยถ้านัดกันสิบคนยี่คนนึงนัดก็ได้เมื่อไหร่หลวงพ่อจะมาช่วยเมื่อนั้นเพราะต้องการให้เด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยที่ถ้าพวกเราผู้เฒ่าผู้แก่ร่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยพวกเด็กคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขาจะต้อง ดูแลที่แค่วัดต่อไปแต่เราตอนนี้ในะช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เรายังไม่ให้ความสําคัญอะไรกับวัดในความคิดความวู้สุทของเขาเนี่ยเขาจะดูแลวัดของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องรีบให้เ ข, ข, ข, ขาเห็นความสําคัญของวัดตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่นี้แต่เราเห็นความสําคัญของวัดในแง่ของพิธีพิธีกรรงานบุญ ง, งานบนงานบวชงานกับปีใหม่สงการเนี่ย เดี๋ยวเขาไปจัดที่อื่นเขาสนุกกว่านี้เขาก็ไม่มาวัดวัดเขาจัดได้แค่นี้แต่ที่อื่นเขาจัดสนุกกว่านี้เดี๋ยวเขาก็ลืมวัดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ลืมวัดคือเป็นการให้กำหนดทางด้านจิตวิญญาณของเขาให้วิธีการดับทุกข์กับเขาเนี่ยเราต้องขวนขวายในเรื่องนี้ งานบุญงานบวชเนี่ยเป็นงานเพื่อที่จะรักษาสถานการณ์ของวัดเรื่องค่าใช้จ่ายของวัดเท่านั้นนะแต่ในส่วนที่จะสืบทอดจิตวิญญาณของวัดอุดมการของวัดนั่นคือเรื่องของพุทธธรรมนะเพรา ะ, ะนั้นเราจึงพยายามเด็กลึงเด็กหนุ่มเด็กสาวเข้าวัดให้ได้วันอปีละห้าคนสามคนห้าคนก็ยังดีเพราะว่าเราก็นับวันที่จะต้อ ง, องร่วงลับดับหายไปถ้าหากว่าไม่มีคนหนุ่มคนสาว ม, มาสืบทอดแล้ววัดของเราก็ไปไม่รอดเดี๋ยวเขาก็ไปยึดเป็นศาสนาอื่นต่อไป อุดมการ์ของเราจิตวิญญาณของเราฝังอยู่ที่นี่ดำรงอยู่ที่นี่ต่อไปเราก็จะอยู่กันลาบากนะแต่นั้นก่อนที่เราจะอยู่ไปอย่างแม้แต่ลุงรับดอกขันธไปลรายังไปนิพพานไว้เรายังดูดแลและแคร์วัดตรงนี้ต่อไปจิตวิญญาณของเราฝากอยู่ตรงนี้ดูลูกหลานเขาเดี๋ยของเราก็าจะดูดูแลต่อไปนะฉะนั้นก็ฝากให้ทางวิชีของเราได้ขนขวายนะดึงพวกเยาวชนของเราเนี่ยเข้าม า, าลูกหลานคนาุนดาวคนไทยของเราก็มีเยอะที่นี่ มันจะขอให้หาวิธีอย่างไรถ้ารวบรวมเด็กได้สามคนห้าคนหลวงพ่อมาไม่ได้ก็ไปเอาเมื่อพรมาเอาชูเนียมาช่วยก็ยังได้นะแต่ไปคุณชันชัยก็สามารถจะมาช่วยได้คุณเจงก็สามารถจะมาช่วยได้นะเพราะนั้นก็ขอให้ใช้คนให้เป็นก็นเ้ยกันนะเราขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะได้กล่าวคำถวายอาหารต่อไปวันแรกกับว่าสุดท้ายจะมีการกล่าวคำทวายนะเพื่อที่จะให้เป็นบุญกุศลให้กับอ คนที่เข้ามาทนาไปจำวันมารวมทาวันแรกวันสุดท้ายทีเดียวเลยต่อไปตั้งโมสจุบพร้อมกันนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะปุตตะสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะปุตตะสะทีมานี้มายังพันเซ ภัตตาณิสัพปริวราณิพิคุสังคโโสัาโอนุสยามะสาธุโนพันเตพิคุสังโฆภิมานิภัตตานิสัพปริวราณิปฏิคันหาปฏิคัน<ป>หาตูทำแห่งทางที่ธตังิชายะสุขายะาเาจา้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งพักทหารพร้อมทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระโขอพระโนซึ่งพักาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าเจ้าาเื่อูให้ความเช่ขพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนา น, นสาูุอ๋อละพรนะนะ Yeah. วะริวหาปุระปริปุเรนดิสขาาัขรรงห่วงน้ำที่เต็มเ ย, ยิ้มอย่างสมุสะคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานางอุกปกาปฏิจานที่ท่านอุทิศให้แล้วในวันนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูริลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนานอิชีตังปฏิตังตุมหะ อ, อ๋อตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยชาพลานสาเปปุรเรนดูสังกาปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทพนารราโสยาทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญมานิโชติราโสยาทา เหมือนแก้มเนียนสว่างสวัยควรยินดีัพปิติโยวิวัชันตูความจันไดทั้งปวงคุงบำราดไปสาพาโรคโควินั ส, สตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเดมพวัตวันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านยูคีตีคายุโกภา อานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน <All right. S 1> อ น, นาสีลิสานิจังวุฒาประจายโน ยาตาโรธรรมาวันติอายุวโนสุขังพลังพรสีปการคืออายุวันนาสุขะพราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตตุสัพมังครงังอสสพมงคลชงมีแก่ท่านราคันดูสับเดวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงคงรักษาทานจะพาพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาแผงพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแผงพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาโดยอนุภาแ่งพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย โยงมีแก่ท่านทุกเมืออ่อถกลับพรอมกันเมือ่อกี้เครจะถวายอหลวงพ่อเลยลืมไปเรมาถวายตอนนั้นกัดีกลับพร้อมกันก่อนระัสมัสัมพุทธโธพระขาวาพุทธังพระขวันตังอาภิวานเดมิ สวะค้าตัวพระ่าวตาธรมโมธรรมมังนะมามีสุปฏิปันโนพระขาวตัวสวกสังโฆสังขังนมามิ เงื่อนเพื่อสูงของเราไปตักอาหารสําหรับซีดีที่ใจงานนี้ก็นี่แจกเอามือชันจแจกคนข้างหลังก่อนถ้าหาไม่พอข้างหน้ า, าเราแววที่วัดก็ได้